ท่านหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้ถามเยอะนะภาวนาเยอะถามน้อยสงสัยเราก็ดูเอากว่าจะจับเล่จับกลของกิเลสได้แต่ละตัวแต่ละตัวเราต้องสังเกตเนื้อโยนิโสมานัสิการ์สาคัญมากเลยขาดโยนิโสมานัสิการ์แน่นะกุศลทั้งหลายไม่เจริญโยนิโสมานัสิการ์มันก็ต้องมีเหตุให้มันเกิดนะ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 หรือว่าช่วงนี้จิตฟุ้งซ่านนะดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วฟุ้งซ่านลูกเดียวเนะี่ยอยู่ที่ความสังเกตของเรานะมันฟุ้งซ่านมากทำความสงบเข้ามานะมันไม่ยอมเดินปัญญาต้องน้อมใจออกไปรู้กานะน้อมออกมารู้กายนะไม่ให้ใจนิ่งเนะนี่ยต้องมีความสังเกตว่าจิตใจเราไปติดไปข้องอะไรที่ไหนเมื่อไรนะค่อยสังเกตเอาบางคน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 งั้นใจมันจะคอยคิดไปเรื่อยๆค้นขวา้าตรงนี้เอากิเลสมาคิดเข้าใจั้มมันคิดไปตามกิเลสเพราะว่าเราอย่ามาคิดธรรมะไม่ได้ไม่มีใครมาคิดธรรมะเอาเองได้ธรรมะนี่ต้องใช้ปัญญาต ร, รัสรู้ของผู้เจ้าเจ้าถึงจะเข้าใจถึงจะค้นพบอย่ามาค้นเองนะพระเจ้าสอนให้เรารู้กายให้เรารู้ใจอย่างที่เขาเป็นก็าููไปเรื่อยๆดูความจริงของเขาไปเรื่อย ความจริงในใกายในใจแล้วม่อแจ้งเมื่อไรมันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นก็เป็นเองใช้ได้แล้วนะคราวนี้กับดีกว่าเพื่อนในกลุ่มซะอีกพวกในกลุ่มนะฟิตขึ้นมาหน่อยโมหะครอบไปหมดแล้วอย่าเล่นมากนะอย่าสนนะนี่พวกนี้คนมาใหม่ไม่ต้องตกใจนะพวกนี้มันเรียนมานานหลวงพ่อโคกสับได้ใจถึงละถ้าคนมาใหม่ๆหลวงพ่อก็โอ้ไว้ก่อน โอ้โห อ, อ, อ, อยู่ๆนั้นภาวนายังไม่เป็นเลยมาถามเราว่าที่ทเดินอยู่นี้ถูกหรือยังเออไปเดินมาวัด น, นี้ได้ก็ถูกแล้วล่ะนะอย่างน้อยมีโอกาสได้ฟังล้วส่วนจะภาวนาถูกหรือไม่ถูกนะก็ต้องค่อยๆสังเกตเอาเองจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไหมเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นไหม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 ไม่เข้าใจเลยว่าจริ ง, รงๆแล้วศีลในอริยมรรคเนี่ยศีล5้านะ ส, นนะสัมมาวาจานศีลข้อสนะสัมมากรัมรมันตนะนศีลข้อหนึ่งสองสนะสัมมาสติเนี่ยก็ต้องมีศีลข้อ5ไว้กินเหล้าเมายานก็มีสติยากิน่ยศีลอะไรในในองค์มรรคเนี่ยก็ไม่อยู่แค่นี้เองจริงๆมีสข้อเท่านั้นแหละข้อ1ถึงข้อ4น่นันแหละ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 เรียนทำคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งนะอะไรชื่อว่าทำหนึ่งก็นะทำนั่นแหละชื่อว่าหนึ่งก็นะิพพานนั่นแหละชื่อว่าทำหนึ่งแล้วจิตชนิดไหนที่ไปรู้นิพพานเ็าเรียกว่าจิตหนึ่งเป็นจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งนั่นแหละเรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งเป็นนิพพานหรือเปล่าจิตหนึ่งไม่ใช่นิพพานจิตแค่นิพพานเป็นองค์ธรรมคนตัวกันแต่จิตต้องพ้นความปรุงแต่งถึงจะไปเห็นทำหนึ่ง ครูปาอาจารย์ท่านเรียกจิตที่พ้นความปรุงแต่งว่าจิตหนึง่งหลวงปู่ดูลเรียกจิตหนึง่งหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่บุทธดาท่านเรียกจิตเดียวนี่เราค่อยดูเอาวันหนึ่งจะเจอสิ่งที่เป็นหนึ่งถ้ายังมีสิ่งที่ที่เป็นคู่นะยังใช้ไม่ได้อยังทุกอยู่อ่ะต่อไปตรวจกานบ้านพรุ่งนี้ไม่มีเทศนะพรุ่งนี้มีแต่ตรวจกันบ้าน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 ฟังแล้วง่ายอย่างนี้มันจะได้หรือมัง่ายเกินไปไอ้ที่ทํามาเดิมในะยากกว่านี้ยังไม่ได้อะไรเลยอกหักรักสลายจะตายมิตายแหล่อยู่แล้วมีวันหนึ่งตื่นมาตีสามนะไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะแต่ฟังซีดีอยู่ทุกวันนะเพื่อนบังคับนะฟังฟังมันคอยถามฟังอย่างฟังอย่างนะตื่นมาตีสามนะอยู่ๆจิตมันก็บอกขึ้นมากําลังวิต ก, กังวลอยู่รู้ไหม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 ค่อยๆดูไปจนจิตมันเดินเองสติปัญญามแก่รอบมันถอนของมันเองเอว่าจะตรวจกันบ้านลืมทุกทีเลยอะคุณแต้มนี่คนนี้ช่วยงานหลวงพ่อเยอะเลยตอนนี้แปรที่หลวงพ่อเขียนเป็นภาษาฝรั่งอีกเก่งหลายอย่างอะเชิญยังมีแต่ทาคู่อยู่ค่ะหลวงพ่ออเรียนทําคู่นะเรารู้ทำหนึ่งเพราะทำคู่ทั้งหมดสอนไตรลักษ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 รู้สึกแมงกายเราดีเนี่ยยังสาวอยู่ว่าอู้ดทาแป้งแต่งตรงนี้หน่อยทาตรงนี้นิดนะออ๊ดสวยยังเอาไม่ไม่สวยคิ้วทางนี้หนาไปเอาไม่นะอย่าไปทํานะไอ้คิ้วถาวรนนะ่ะวันไหนเกิดอยากบวชฉีแล้วทุเละที่สุดเลยนี่ไม่ชีนี่ไม่มนะีไม่ต้องหันนะ อ้าวลืมตรวจกันบ้านอีกแล้วพอได้มีโอกาสมาอยู่วัดครับก็จิต ด, ดีขึ้นรู้สึกไหมจิตมีพลังขึ้นแล้วนะก็บริกรรมตามที่หลวงพ่อบอกครั้งสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็บีบนวดออครับแล้วก็พอเวลายอยู่คนเดียวปุ๊บมันก็เห็นความฟุ้งซ่านของตัวเอง เ, อเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ พอห ล, กลักรู้ปุ๊เนี่ยเวลาผูไมได้ยินอะไรมันก็จะตีความไปครับได้กินอะไรมันก็ตีตความไปดีนะภาวนาได้ดีนะภาวนาอย่างนี้อีกไหนไม่ต้องรักษาอะไรละสบายหายได้นะอคเมื่ อ, อวานไม่สบายอะคะ่ะเมื่อวานตอนบ่ายก็เลยแบบเบลอไปเลยอะคะ่ะ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 เช้านี้ก็เลยฟุ ง, ฟงเลยค่ะฟุงรัวฟุงไม่ต้องรักษาให้หาย<ะ>หลวงพ่อวันนี้ก็เวียนนะดังตรนอุตส่าห์ไปซื้อเครื่องเขย่ามาให้ขึ้นไปเขยา่า <laughs> โอ้ <laughs> เวียนเลยยังไม่ชินยังไม่ชินนะมองกิเลสมองกเลยังบังคับอยู่นะปล่อยซะปล่อยบังคับไม่มีประโยชน์หลวงพ่อเคยฝึกมาก่อน หลวงพ่อฝึกสมถะ22ิปีฝึกแบบเอาจริงจังนะไม่ใช่ฝึกเล่นๆทำมั่งไม่ทำมั่งฝึกทุกวันเลยมีเวลานิดๆหน่อยๆก็ทำได้แต่ความสงบใจไี่เป็นอย่างของคุณเงี้ยไม่สบายจริงอ่ะให้คลายออกซะนะแล้วก็รู้สึกไปปล่อยให้จิตทำงานไปถ้าเราเพ่งเอาไว้เนี่ยไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูพอปล่อยได้นะจะแสดงกาแสดงไตรลักษณ์ใจแสดงไตรลักษณ์เองเลย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 รู้สึกตัวได้บ้างคะ่ะแล้วก็เผลอบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังบังคับนะ <c oughs> ให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าพอเป็นธรรมชาติก็ฟุ้งซ่านไปนิดนึงเพราะงั้นให้บริกรรมไว้นะพยายามท่องพุโทโธพุโทโธท่องในใจนะแต่ถ้าไม่ชอบคำว่าพุโทโธท่องคําอื่นก็ไดนะท้ท่องอย่างอื่นก็ได้เอาคําที่ใจมันชอบมาท่องแล้วสบายใจนะไปเลือกดูนะท่องสบายใจแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธอะไรย่างเงี้ย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 อ้าวยกมือนี่นะแล้วก็ร้อยสิบอ็ดแล้วก็คุณเสื้อสีฟ้าเออแล้วสามเจ็ดอีกคนเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดร้อยสิบเอ็ดแล้วก็ไปข้างหลังน้ำมันสกัดที่หลังครเขาวันนี้เป็นวันที่ครบหนึ่งปีพอดีค่ะที่มาภาวนาที่นี่ค่ะแล้วจิตเป็นไงตอนนี้มีโมหะไม่แม่หนึ่งปีเนี่ยจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะ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 แต่ว่าไม่ใช่คุยคุยคุยเพลินเพลินไปน ะ, ะต้องสำรวมนิดนึงก่อนเบื้องต้นพอสำรวมแล้วคุณดูได้อยู่<ะ>ของคุณขาดจะเพียงแปลว่าใจมันฟุง้งซ่านมากตนะอนนั้นเลยเอาไปค <ขอ S 1> ุณโน้นคุณผู้ชายใส่แว่นตาเสื้อสีฟ้ายกมือไว้กราบน้ำสการหลวงพ่อครับวันวันนี้ขับรถมาก็สติตั้งตั้งมั่นดีครับพอเมื่อกี้ได้มีโอกาส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 ออกฟ้าใช้ได้เป็นแต้มดีแล้วแต่เป็นแต้มมันไม่ตั้งมั่นนิดหนึ่งนิดมันมันมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยไปงั้นเวลาภาวนานะถ้าสังขารร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปบางทีภาวนายากบางทีหิวก็ต้องไปกินข้าวนะเหนื่อยมากก็ต้องนั่งพักง่วงก็ต้องนอนแต่ไม่ใช่นอนหามรุ่งหมค่บนะหลวงพ่อข้ขออนุญาตถามนะคะ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 ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมีสภาพที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กายเริ่มขยับแล้วหลังจากที่เปลี่ยนอิริยาบถเสร็จรูปนั้นก็สลายเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ตามอิริยาบถใหม่แล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเวทนาที่ก้านั้นผ่อนคลายลงดีขึ้น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 แต่โยมต้องภาวนาแบบผ่อนคลายหน่อยนะให้จิตจใจเราผ่อนคลายจิตใจของโยมกล้าแข็งไปสติกล้าแข็งไปให้มันผ่อนคลายกว่านี้นิดสติที่กล้าแข็งเกินไปเนี่ยไม่ดีนะใจมันใจแห้งแรงไปแล้วอย่างนี้จะโยมจะต้องทำยังไงต่อเจ้าคะโยมอย่าจงใจปฏิบัตินะเจ้าคะ่ะให้เขาเห็นของเขาเองเราแค่ตามดูระยะระยะไปตรงที่มันจะได้อะไรดีๆเนะี่ยมันเป็นเอง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 ควรควรจะผ่อนคลายมากกว่านี้ต้ผ่อนคลายกว่านี้นิดหน่อยนะไม่ใช่ผ่อนจนเหลวไหลนะเคือเดาในในยอมตั้งสติกล้าแข็งเกินไปในอภิธรรมก็มีนะในเรื่องวิปัสสนูปกิเลสมีอยู่อันหนึ่งที่สติกล้าแข็งเกินไปเราต้องไม่ไม่ให้มันแข็งเกินไปะให้มันนุ่มนวลหน่อยใจของโยมรู้สึกไหมมันไม่ค่อยนุ่มเจ้าค่ะเนี่ยตัวนี้ที่ขาดจิตมันไม่มีมุทุตานะ มันไม่เบามีราหูตาใช่ไหมในองค์ธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลกุศลเจตสิกอะ่ะตัวนี้มันขาดอยู่ต้องต้องมันฝึกดูอาการของใจใช่ไหมเจ้าค่ะรู้ใจเราบ้างนะโยมอย่าไปจริงจังในการดูกายและเวทนารุนแรงรวมทั้งไม่ได้จงใจดูจิต ด, ด้วยนะถ้าจงใจดูจิตจิตมันก็เข้ามาติดที่เดียวกันนี้โยมรู้สึกไหมขณะนี้จิตโยมคลายกว่าตะกี้ละเจ้าค่ะใช่ไหมเนี่ยเราต้องรู้ด้วยจิตที่ผ่อนคลายอย่างนี้ยรู้ไปสบายๆนะ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 ตอนที่คุณหันไปหาเพื่อนแต่เคี้ยวครู้สึกไม่ใจตอนนี้ใจคุณคลายออกใช่ไหมเดี๋ยวพอคุณคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บคุณเข้าที่เลยจิตมีกดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ไม่เอาเลยตัวนี้แหละที่กวางไว้นะถ้าผ่านตัวนี้ไปได้การพัพฒนานจะเร็วเลยมันติดการเพ่งเพ่งจนกระทั้งมันนิง่งอะอร้อยสามสิบเจ้าค่ะกลับหลวงพ่อจ้ะเนี่ยเนียจะเริ่มกลับไปแล้วเบอร์สิบสามคืออยากเห็นนะอยากดูให้ชัด ก็เลยกลายเป็นชะโงกลงไปดูชะโงกไปปั๊บจ้องแลงไปจ้องไว้นะใจก็นิ่งๆแล้วค่ะนี่หลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะเนี่ยมันจะนิ่งอย่างงี้ทั้งวันเลยแล้วก็อะไรเกิดขึ้นจะเห็นชัดหมดเลยแต่ใจเนี่ยไม่สบายใจไม่โปร่งนะต้องให้ใจเบาๆใจนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะอาเชิญร้อเจ้าค่ะค่ะกาบกาบหลวงพอ่อเจ้าค่ะ พอดีโยมโยมรู้สึกว่าการปฏิบัติของโยมเนี่ยมันคุกเข่าไปด้วยทุก์ตลอดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็หลวงพ่อแถมให้คําคุกเข้าด้วยโทสะด้วยเจ้าค่ะเรามีความหุดหงิดผุดขึ้นเป็นระยะระยะเราไม่ชอบมันนะอ่ะว่าไปเจ้าค่ะแล้วมีวันหนึ่งที่โยมอ่าก็ดูดูความทุกข์ของเขาที่เขามีสภาวะเครียดเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วเอ่อ โยมก็เริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกมันก็เกิดว่ามันกายมันเนียมันทุกทุกล้วนๆเลยแล้วก็มันก็จะส่วนตัวจิตเนี้ยมันจะเบาๆอยู่ตัง อ, อยู่ตั ง, ตงหานะเจ้าคะแล้วก็นอกจากโยมเห็นกายเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ทุกแล้วในโยมบางครั้งเนี่ยโยมก็ยังเห็นจิตเขาทุกข์ด้วยอพอเข้าไปคุกกับอาการที่เป็นสภาวะเครียดนั้นแล้วก็อีก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 เพราะจิต ท, ที่เกิดซ้ําซากได้นะมีไดชานจิตเกิดซ้ําซากต้องเพ่งไว้ถ้าจิตโดยธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาเนี่มันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างตอนนี้ใจไปคิดโยมทราบไหมโยมรู้สึกไหมโยมมันเหมือนดันตัวเองขึ้นมาเหมือนดันตัวเองขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนี้ยเตัวเนี้ยที่เราปลุงขึ้นมานะมเราพยายามจะให้จิตเราหลุดออกจากสิ่งปรุงแต่งที่อยู่ต่ําๆเนี่นะยยำหนีมัน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 เห็นกิเลสบ้างยังงห็นค่อนข้างเยอะตัวไหนเยอะโธสัยเยอะนั่นแหละเห็นถูกใช้ได้แล้วก็ฟุ้งซ่านเยอะค่ะถูกแล้วไปดูอย่างนั้นแต่ว่าอย่าไปภาวนาเพื่อให้มันหายจากโทสัยนะแค่รู้ว่ามันมีอยู่แค่รู้ว่ามันหายไปอย่างหนูนี่ต้องใช้อะไรเป็นวิหารธรรมเหรอคะเพราคุณดูจิตไปคุณเป็นพวกคิดมากแล้วก็เป็นพวกขี้โมโหภาวนาไม่ยากหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะพวกขี้โมโหภาวนาง่ายเพราะมันดูง่าย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 เดินจงกรมเราเดินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยแต่เราเดินแล้วไม่มีสติมันก็ต่อไปก็เดินแล้วก็มีสติค่<น>ะที่ปฏิบัติที่ผ่านมานี้พอทําถูกบ้างใช่ไหมค่ะถูกสิเมื่อกี้ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห้องหลังเออผู้คนนั้นผู้หญิงนั้นนั่งข้างหลังนั่นเลยนะ่ที่ยกอยู่นะคนอื่นเราลงก่อนนะคนอื่นคนนี้ยกมานานนักหนาแล้วยกตั้งแต่แรกแรกเลยตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยกบขอบคุณหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้จิต จิตเคยรู้สึกตัวนะคะณปัจจุบันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก็เคยเคยตามรู้ได้บ้างอะนะคะณปัจจุบันจะแบบให้ดูไปสิจิตมันโมโหก็รู้ไปค่ะนะรู้รู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นะแต่เดิมเรากิเลสมันอ่อนเรารู้สึกไปสบายๆแล้วก็ว่ารู้สึกดีช่วงนี้อารมณ์มันแรงขึ้นกิเลสมันแรงขึ้นอย่างเงี้ยเราดูกิเลสที่เกิดขึ้นก็ถือว่ารู้ตัวแล้วนะไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องใส่ปิ้งทุกครั้งไปหรอก แล้วต้องฝึกอะไรที่ให้รู้สึกตัวเพิ่มอะไรนี้ไหมบริกรรมเล่นเล่นพุทโธพุทโธก็ได้หรือคุณไปแผ่เมตตาก็ได้คุณเจริญเมตตาไปก็ได้เรียนทำหลวงพ่อเขาเจริญเมตตาในความมายังไงคะก็พยายามมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมองคนอื่นในแง่ดีในแง่เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยนะมองอย่างด้วยความรู้สึกเป็นมิตรคําว่าเมตตากับคำว่ามิตรคําเดียวกันกับคำว่าไมตรีคําเดียวกัน คำว่าเมตไตรชื่อของพระสีอานอะ่ะก็คือคําว่าเป็นมิตรนั่นเองเรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามทําความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาใจเราจะสงบร่มเย็นพอใจเราร่มเย็นเรารู้ว่าใจเราเย็นวันไหนใจเราร้อนขึ้นมาเรารู้ว่าใจเราร้อนอแล้วที่รู้สึกเฉยๆแต่ไม่เป็นกลางเหรอคะอะไรนะคือบางครั้งของโยมจะรู้สึกว่าตัวเองเฉยๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้นขางหน้านะคะแต่ไม่เป็นกลางเฉยๆนี่มันเฉยแบบแห้งแรงไป นะมันไม่ได้เฉยแบบมีความสุขรู้สึกไหมมันเฉยแห้งแรงไปเฉยแบบนิ่งเลยเออนั่นเรียกว่าเฉยแบบเลือดเย็นแล้วไม่ดีนะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกไหมจิตตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วะ <c oughs> มีความสุขมากขึ้นรู้สึกไหม <c oughs> ต้องจิตอย่างนี้นะถึงใช้ได้จิตอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้แล้วที่ฝึกนี่ผิดตรงไหนมา้างคะผิดตรงไปบังคับตัวเองไงเห็นไหมพอหัวร้อทีหนึ่งใช่ไหมรู้สึกไหมมีความสุขผดขึ้นมา แล้วก็รู้ไปใจเราก็โลง่งๆเบาๆอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมค่ะ<ฆ>พอเราไม่ไปเพ่งไว้ใช่ไห ม, มใจก็เริ่มไปมาเริ่มแสดงใจลักแล้วเราะจะปล่อยให้มันโลง่งๆเบาๆบ่อยๆยังไงคะอย่ากแกล้งนะ<ฆ>อย่ากแกล้งให้โล่งบางคนเหมือนแกล้งโล่งได้โล่งอยงนี้ทั้งวันนะเหมือนคนโรคจิตมากไปไม่ดีกลาบขอบคุณหลวงพอ่อค่ะเดี๋ยวหลวงพ่องงช่วยมือลงก่อนช่วยมือลวงหลวงทุกคนนะลวงเอายกมืออ่ะ <c oughs> นี่คู่นี้ เอาผู้ชายคู่เนี้ยยกไว้เอาเบอร์สี่แปดรับไว้ก่อนเบอร์สี่แปดทางผ่านไม่มีเครื่องจับนะมันต้องแบบไอ้ที่เขามีม้าแข็งอะวัดใครยกก่อนกรรมสิการหลวงพ่อครับไม่ได้มากราบหลวงพ่อเดือนหนึงอะฮะไม่ทราบตอนนี้จิตเป็นยังไง<ม>ครับมีโมหะเลดูออกไหมคุณหมอมันดูไม่ชัดนะครับหลวงพ่อจิตมีโมหะร่างกายเป็นไง ตอนนี้ไม่ค่อยสบายเต็มที่เท่าไหร่ครับเนาะดูมันเป็นที่กายด้วยถ้ามันเนื่องมาถึงใจออือย่า ง, ง, งั้นหมอต้องพยายามแยกออกไปนะให้กายมันป่วยไปครับใจค่อยๆรู้สึกรู้สึกไว้เป็นกลางไว้เมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนนะครับเป็นไข้วัดใหญ่ครับหลวงพ่อขณะที่มีไข้ขึ้นนะครับรู้สึกใจมันโล่งมากเลยแล้วก็มั น, ม, นมันมันมีแกลบแกลบที่กว้างมากอืมแล้วก็ พอมันย้อนกลับมามันเหมือนหนูกบว่าจิตเป็นบอกตัวเองว่ามันมันแฮปปี้เกินไปหรือเปล่าสําหรับสังขารที่เป็นอยู่ฮะก็เลยเมืนก็ว่าไม่ทราบว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับคือถ้าถ้ามันมีแกบนิดหน่อยนะใช้ได้ถ้ามีแกบห่างเนี่ยนะมันจะห่างไปเรื่อยๆแล้วไปถึงพลมันโลกนะอย่าให้ห่างเกินไปนะห่างแล้วจะสบายอยู่งั้นนะหลายๆวันถ้าอย่างนั้นผิดธรรมดาละจิตมันหนีจิตมันหนีทุกมันหนีทุกน้ำหลบเข้ไปอยู่ในว่าง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 เวลาที่รู้ได้ไม่ชัดเราก็รู้ไปอย่างสบายๆรู้ว่าไม่ชัดเป็นกลางกับทุกๆสภาวะหมอสังเกตตัวนี้ไปเรืตรงที่มันหนีหลุดไปสู่โรมันโลกนั้นเพราะมันไม่เป็นกลางนั่นเองะงั้นถ้าหมอเกิดสภาวะใดๆรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นรู้ทันความไม่เป็นกลางที่เกิดขึ้นจิตจะพอดีเองแม้ในขณะนั้นกําลังมืดมัวสมมุติเราจะตายแล้วไม่รู้เรื่องแล้วนะทรมานมากเลย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 ประสบด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกดีใจที่มามาตามรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธเจ้ามาเออตั้งอย่างนั้นค่ะแล้วก็แล้วก็ต้องไม่ลืมครูใหญ่แล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเปิดจะอ่านไพ่แล้วก็เวลาที่น้องๆเขามาขอปรึกษาชีวิตผ่านไพ่เนี่ยก็จะเอาคําสอนเนี่ยไปให้เขาก็มีน้องอยู่ 2- อสคนที่รู้สึกว่าเขาปฏิบัติแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยฟัจูนมาทางที่ที่เหมาะสมจึงขอคิวตรงนี้เนี่ยให้ให้3คนนะคะขออนุ ญ, ญาต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 เนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยหัดรู้ <ฮะ S 1> ไปเรื่อยๆนะก็หัดรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆหัดรู้บ่อยๆนะค<ฮ>ะอา้าวอีกคนหนึ่งคนที่สามกรามนมัส ก, การครับพอดีไก็ไม่เห็นยืดๆหน่อยอ๋อว่าไปครับผมเ อ, อหลังจากที่พอฝึกมาระดับฝึกมาพอดูได้มีโอกาสได้ตามจิตเหมือนกันนะครับเรื่อยๆพอมาถึงระดับหนึ่งมันเกิดความ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 ่งคนไหนเก็บความโกรธไว้นานนะมันพุ่งพุ่งๆุ่งออกมานะน่ากลัวเลยนั่นถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วไม่เก็บกวดแล้วตามดูไปที่คุณฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะจิตของคุณมันเริ่มตื่นขึ้นมาแนละ้วครับผมอ้าวต่อไปใครยกมือไปข้างหลังข้างหลังเปอร์ห้าสองเนะี่ยจำได้อคนนี้เอาก่อนก็ได้กาบนัมมาสการหลวงพ่อค่ะ ไม่ไม่ได้มาวัดประมาณหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าเห็นสภาวะชัดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ทราบนะคะมไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงมากใช่ได้ะไดน ะ, ะพอน่าดีขึ้นเยอะล่ะไปดูอีกยังไม่พอกลับขอบพระคุณค่ะถ้าพอเราพลุกเอาไปข้างหลังข้างหลังห้าสองหาสองนะแล้วก็ผู้หญิงเสื้อเขียวๆตรงนี้มีเบอร์ไหมเบอร์ไรชูให้ดูหน่อยเบอร์สี่สิบห้าเอารอยสห้ากลับนมสการ ผู้อา่านค่ะดิฉันได้มีโอกาสมากับท่านเป็นครั้งที่2แล้วก็ฟังซีดีนะคะดิฉันอยากจะเรียนถามอยู่3มเรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกะจะมีบางครั้งนะค ะ, ะวิ่งหย่อนแล้วก็เปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินธรรมดานะคะก็จะมีมีอาการ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 หลวงพ่อบอกให้แค่นี้นะค่ะกลับขอพระคุณค่ะเสื้อเขียวได้คนสุดท้ายละเบอ ร, ร์ร4 5สีห้าเดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระนะเบรรอร์อื่นต้องขอเข้ามาอาภัยยกโทษให้หลวงพ่อด้วยนะกลับนมัสการค่ะลูกมาขอให้หลวงพ่อช่วยชีย้แนะค่ะว่าตัวลูกเหมาะที่จะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมอะคะ่ะอือ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 รู้สึกจิตโปร่งโล่งสบายอืแต่ละหลังนี่ดึกเสื่อมแล้วก็นทําไม่พอน้ะไม่ถูกไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนที่หัดใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งท่าเพราะยังทําไม่เป็นนี่พอดูเป็นนะไปเกิดขยันดูไปจ้องเขามันก็นิ่งๆทื่อๆไปของคุณจ้องแรงไปเป็นทุกคนแหละตอนที่หัดใหม่ๆนะแหมโลง่งโผล่แวบแวบแวบเพรไม่ได้เจตนามันรู้เองอนะพอดูเป็นแล้วเอ๊ะมันโผล่ตรงนี้นี่หว่า